ถ้าเป็นความยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการชำระตัสสารกิเลสก็จะเลยมรรคลยผลเป็นที่พอใจโดยลำดับเห็นกิเลสมันตายต่อหน้าต่อตาทุกๆุกองในวัดนี้ ที่ยุ่งเหยิงวยุ่นวายเพราะการฆ่ากิเลสแบบที่ยุ่งกับเครื่องบริหารใช้สอยหลงนี่เราเคยพูดเสมองานการงานเพื่อชำระสัสางหรือเพื่อการ ข่ากิเลสนี้เป็นงานที่ทวนกระแสของโลกทุกระยะทุกขั้นทุกภูมิของงานเพราะกิเลสทุกประเภทเป็นค่าสึบต่อธรรมเสมอมาธรรมทุกประเภทจึงเป็นเครื่องประหาดประหาร ก, กันกับกิเลสที่ถือว่าเป็นค่าสิบนั้นเมื่อต่าง ก็ทาตามหน้าที่ของตนแล้วมันก็ต้องทวนกระแสกันจิตใจมีความสบายเมื่อไหร่โดยที่อยู่ธรรมนาถือว่าเป็นความสบายสบายเมื่อไหร่ก็ตามสบายแบบนั้นก็คือสบายแบบยี่เใหญดีๆ ใจรับความทุกข์ร่างกายรับความทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสนี่เป็นเหมือนกับปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงความเพียรจิตใจให้มีความสุขความชุ่มเย็นในอันดับต่อไป หากไม่มีการต่อสู้ไม่มีการฝากฝืนไม่มีความทุกข์เพราะการฝึกเทรมาณตนเพื่อการค่ากิเลสนี้เลยโลกนี้ก็ต้องพ้นกันไปหมดเพราะอยู่สบายสบายกิเลสก็หลุดลอยไปโดยไม่ต้องทาคอนอบากแบบที่ทากันอยู่นี้หรือแบบที่ทาท่านสอนไว้ให้ทำแบบนี้อย่างนดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่าน ทรงดำเนินและดำเนินมาแล้วต่างเขาฝ่าพันอุปสรรคมาแทบล้มแทบตายแทบเอาชีวิตไปไม่รอดแต่ผลสุดท้ายทกิเด็กก็ตายท่านไปรอดกิเีสจอดจบพวกเรามีความสะดวกสบายมันเป็นเรื่องล่มจมุเพราะสะดวกสบายไปตามทางของกิเลสซึ่งพาให้สัตว์โลกล่มจมุ จิตใจก็ต้องล่มจมลงไปอยู่ใต้อำนาจของจิเลสถูกมันเหยียบย่ำทําลายอยู่ทุกระยะการเราก็หาดีกรีไม่ได้เมื่อเป็นจช่นั้นปฏิบัติที่ไม่ได้ไททดักได้เกณฑ์ัเริ่มแรกปฏิบัติมาจนกลายเป็นนักปฏิบัติหน้าด้านก็เพราะความ เอาความสะดวกสบายตามวิถีทางของกิเลสทั้งๆ ท, ที่ความรู้ความสำคัญต น, นามากมามวดเพื่อประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นหลยอย่างกิเลสกับธรรมเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนมากในระยะที่เราเริ่มฝึกหัดนี้ยิ่งมีแต่เรื่องของีิเลทั้งหมด ออกแสดงตัวอยู่ทุกขณะจิตทาออกแสดงไม่ได้เพราะสิ่งนี้มีอำนาจเหนือกว่าคล่องแคล่วกว่าหมุนตัวได้เร็วถ้าเป็นสัตว์ก็อยู่ปากคอกพอเปิดประตูก็ออกพอสังขารปรุงแยบก็เป็นเรื่องของกิเลสออกมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่น ลิ้มลิ้มรเป็นต้นนี่เป็นเหมือนกับเปิดปากข้อสิ่นที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อไรจะต้องยับเข้าถึงจิตทุกขณะนั่นการยับเข้าถึงจิตแรงความหมายความพอใจหรือไม่พอใจออกมานั่นคือตัวที่เดยจออกธรรมานแล้ว เราไม่ทันถึงต้ อ, เองเอาจินเอาจังเหมือนก็จะเป็นจะ ต, ตายประหนึ่งว่าจะไม่มีเรล่อเวลาได้รับความสุขความสบายเหมือนหนึงว่าตามีไม่ได้มองเห็นเมฆเห็นหมอกหูมีไม่ได้ฟังเสียงอะไรจมูกมีเหมืนก็ไม่ได้ดมกลิ่นอะไรทั้งนั้นไม่ตั้งแต่ฝากไ่ จดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคภียงเพื่อทำละหรือฟาดปันกับกิเลสถึงขนาดนั้นจริงพอเห็นร่องรอยอิที่จะอิตจะผาดโผโลดเต้นมากขนาดใดก็าตามแต่ช้าวิธีการวิธีการนี้แล้วต้อง อ่อนตัวลงเป็นลำนับจนถึงเข้าสู่ความสงบได้ด้วยเหตุนี้วิธีการฝึกฝนทรมานจึงต้องมีหลายด้านและทางเพื่อช่วยอุบายของสติปัญญาและให้สติปัญญาทำงานได้คร่องตัวอย่างอดนอนบ้างผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างเดินา ม, มากบ้างนั่งงมากบนา สนมากเก็ะที่มันเด่นก็คือตามนิสัยที่ถูกก็คือการผ่อนอาหารเพราะร่างกายไม่มีกำลังมากทับจิตใจก้าวออกยากสติสตางก็ไม่ค่อยดีและไม่ดีไม่มีนั่นะเพราะสิ่งนี้ทับถมร่างกายซึ่งอยู่ในวัยที่คึกขนอง เข้มแข็งด้วยแล้วจิตใจก็เลยกลายเป็นเรื่องคึกขนองไปตามสิ่งเหล่านี้ส่งเสริมแล้เห็นนี้จิงต้องนับสุดทรมานกันโดยวิธีการต่างๆนี่เราก็ทราบได้ชัดเวลาใน้ฝึกด้วยอุบายต่างๆเช่นผ่อนอาหาร่านี้ร่างกายก็ไม่คึกขนองมาก มไม่ไปกระทบกับเทือนหรือไม่ไปเสริมจิตใจให้คลกขน อ, องไปตามกันเมื่อไม่มีสิ่งส่งเสริมเต็มความต้องการข่องหมันจิตใจที่ได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมแสดงผลเป็นความสงบเบาใจ หรือเป็นความคล่องแคล่วในปลายตัวออกมาให้เห็นได้ชัดเนี่ยขั้นเริ่มแรกน่เป็นขั้นที่ลำบากไปแบบหนึ่งหนักก้อนหนักห น, นักทั้งทา ง, ทงร่างกายและจิตใจ มากที่ล้มเหลวไปก็ในขั้นนี้ต่อสู้ไม่ได้แต่ล้มเหลวไปธาตุผิดมีความสงบมีหลักมีฐานบ้างหากไม่ลืมตัวก็จะก้าวไปเรื่อยๆพร้อมกับมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำอุบายเป็นเครื่องส่งเสริมอยู่เสมออิจใจก็ไปได้เร็วผิดกับที่ไม่มีครูมีอาจารย์แนะนาเป็นไหนๆการบาเพ็ญ แต่โดยลำพังของตนนั้นช้ามีครูมีอาจารย์คอยแนะนำอยู่เสมอนั้นไปได้เร็วกว่ากันอยู่มากจิต ท, ที่มีฐานแห่งความสงบเป็นสมบัติของตัวอยู่บ้างพองที่ว่ามีอาหารคือทรรมเป็นโอชารสภายจในจิตใจเป็นเครื่องสวยหรือเป็นเครื่องอยู่อาศัยเป็นเครื่องพึ่งเพลง ใจก็ไม่ปบ้าฟ้าวุ่นปุ่นมวัวหรือคว้านั่นควานี้เรื่องความหิหวโหยมากนะบังคับบัญชาก็อยู่รู้จักเจ้าของบ้างถ้าไม่มีความสงบร่มเย็นบ้างเลยนั่นถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ตัวโหดร้ายตัวคึกขนองมาก ไม่ยอมฟังเสียงใครง่ายนักจิตก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจึงต้องมีอุบายวิธีการธรมานหลายด้านหลายทางหลายแง่หลายมุมตามแต่จดิตนิสัยของผู้จะนํามาฝึกหัดทรมานตนเพื่อให้กิเลกก่อนตัวลงและยุบย่อลงไปด้วยอุบายแห่งธรรมธรรมธรรมก็คืออุบายวิธีการต่างๆนั่นแหละ ทางฝ่ายเหตุแต่พาออย่างยิ่งก็คือสติกับปัญญาสติตั้งสติจ่ออยู่เสมอให้รู้ความเคลื่อนไหวของปิีิแสดงออกมาพิษถูกชั่วดีปัญญาคอยไก่กรองตามเหตุตามผลด้วยความจงใจโดยมีสติเป็นเครื่องควบคุมงานฝืนต่อความอยาก อยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากปรุงอยากต่อกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งมันมีอยู่ภายในใจมันกดท่วงหิตใจอยู่เสมอเรื่องความอยากในเรื่องทั้งหลายที่เคยเป็นอยู่แล้วเป็นมาแล้วไม่เคยจืดจางไม่เคยอิ่มพอก็คืออารมณ์ของกิเลสนั่นแหละจะเป็นอารมณ์อดีตปัจจุบันที่กำลังปรากฏอยู่มันก็ดูดดื่มทังม้งวั รักมันก็พอใจรักเกลียดเกรีดมันก็พอใจมันพอใจได้ทั้งนั้นขึ้นชั่วกิเลสกินไม่เลือกก็คือกิเลสมันไม่เลือกจึงเรียกว่ากิเลสถ้าเลือกเฟ้นแล้วเรียกว่าธรรมนางท่านกล่าวว่านิสัมมะกันนังเสื่อยู่แค่ควรก่อนที่จะทํากิจการงานต่างๆเป็นความชอบธรรม ถ้าเป็นธรรมแล้วเลือกเป็นกิเลสแล้วไม่เลือกหากหิวหากโหยหักโกลงก็ว่าอยู่ภายใ น, ในใจิตใจเรื่องราวนั้นนม้จะเคยผ่านมาแล้วกี่ครั้งกี่สมมันก็ไม่ได้เคยคิดว่านี้เป็นอารมณ์เก่าที่เราเคยผ่านมาแล้วเช่นอาหารที่เคยกินแล้วก็เบื่อไม่อยากกินซ้ำๆสักๆแต่เรื่องของกิเลสรสของกิเลสแล้วมันไม่ได้ ไม่เคยคิดไม่สนใจคิดว่าเป็นของเก่าของใหม่มันหากมัว่วหากสุมกันอยู่อย่างนั้นพอใจอยู่อย่างนั้นว่าอี่มันก็ไม่เคยอิกหากมีแต่ความหีวคิดเท่าไหร่ปรุงเท่าไหร่ติดพันเข้าไว้เท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงความหิวโหยแสดงความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับแห้พันลิงเป็นแบบนั้นส่วนทําทไม่เป็นเช่นนั้น มีความคข้ครวนคัดเลือกแต่ต้องฝืนกับกิเลสเสมอเพราะการปฏิบัติธรรมก็คือการต่อสู้กับกิเลสฝืนกับกิเลสนั่นแหละถ้าไม่ฝืนไม่เรียกว่าการต่อสู้ต้องฝืนเสมออะไรอะผมก็เคยพูดให้หมู่คนฟังแล้วความหนักเอาในทางความาพาคอย่างทั้งเหตุทั้งผล ด้วยพอพอทราบได้อกเรื่องเรื่องของกิเลส ก, กับเรื่องของธรรมมันมีแง่งอนต่อกันมีความความสลับซับซ้อนกันอย่างไรบ้างและวิธีการต่อสู้ต่อสู้แล้ววิธีใดบ้างไี่นํามาพูดให้สังค ม, มทั้งนี้ล้วนแล้วั้งแต่เต็มไปด้วยกองทุกข์เพราะการปาะฟื้นเพราะการต่อสู้ทั้งนั้น ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยเพราะเหตุเอาความสุขมาจากไหนนอกจากเหตุนี้เป็นเครื่องบุกเบิกไปโดยลําดับแล้วจึงจะปรากฏผลขึ้นมาเหตุนี้ไม่พอผลก็ปรากฏเป็นความสุขความสบายความสงบเย็นใจความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาไม่ได้เพราเหตุนี้ การบําเพ็ญเหตุจึงต้องให้หนักมือต้องได้รับความทุกข์เอาทุกข์เป็นเดิมพันต้องเป็นผู้มีจิตหนักแน่นการได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ก็พอจะเป็นหลักเป็นเจณได้อยู่แล้วเพราะไม่น่าสงสัยนอกจากแง่งความเพียนของเราเท่านั้นที่มันไม่เอา่าน อันจริงไม่เห็นผลผลภาณจิตไม่มีเราจะเอาอะไรเป็นสาระสำคัญภายในตัวของเราเหวังพึ่งอะไรนิเรศมันเป็นที่พึ่งได้เมื่ อ, อไหร่เราคิดดูสิ กิเลสเป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่ต้องสอดแสวงหาธรรมเพราะมันเต็มเพรด้วยกิเลสในหัวใจแต่และดวงละดวงละมันเป็นที่พึ่งได้ยังไง ร, ราคักินาฟังดีไฟคือราคะนัดเป็นที่พึ่งได้ยังไงฟังแต่ว่าไฟโทสักินาไฟคือโทสะโมหกินาไฟคือความนุ่มหลงมันเป็นไฟเท่านั้นมันเป็นที่พึ่งได้ยังไงไฟ นอกจากเขเแผดเผาสดสดร้อนร้อนทั้งทั้งที่ยังไม่ตา ย, นยในรับความทุกข์ทรมาณอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้แผดเผาเ ท, าท่านั้นมันเป็นที่พึ่งได้อย่างไรนักปฏิบัติต้องคิดต้องเคียดเสียงพุทธทางธรรมาสังขังสั้กงะฉาม น, นี่เด่นไหมท่านบอกว่าเาเป็นที่พึ่ง ฝังใจลงไปในพุทธะในธรรมสังฆะจะเป็นสรณะใดก็ขาอตากตามดิษฐ์ทั้งเราที่ถนะัดเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจเป็นสาระของใจได้ทั้งนั้นเรา ถงึงห่วงห่วงยัยอะไรกับเรื่องของกิเลสเราอยากเข้าใจว่ากิเลสนี้จะพัดพลากจากเราไปเหมือนคนที่รักที่ชอบใจกัน พ, กพราดพลาดจากกันไปอย่างนั้นกิเลสจะไม่มีวันพัดพลาดจากใจไปเลยตลอดกับตลอดกันที่เป็นมาแล้วก็อย่างนี้และตลอดกับตลอดการที่จะเป็นไปอนาคตข้างหน้าก็เหมือนปัจจุบันที่เป็นอยู่ณบัดนี้ ผกแน่นติดกับใจมัดหัวใจแน่นอยู่ตลอดนั้นจะพัดพจากเราไปไหนพอที่จะเป็นห่วงที่จะเป็นห่วงที่จะรักที่จะชอบที่จะดูดดื่มกับมันอยู่ตลอดเวลาติดกกติดใจกับมันแล้วขนพืนขนไาเข้ามาเผาตัวเองอตลอดเวลาไม่รู้เหตุหลากแล้วคาว่าสแสวงหาธรรมมันสแสวงหาอย่างไง มันมีแต่เรื่องวุ่ น, ว, นวายกับกิเลสติดพันไปกับกิเลสถูกกิเลสฉุดกิเลสลากตลอดปอกเปิบผิดตลอดเวลาทุกอาการที่เคลื่อนไหวยังหึงยังหวงยั ง, ห, ง, ยงห่วงกับมันอะไร อ, อยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากคิดยอยากอ่านกับอารมณ์อันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่ไม่มีเวลาอิ่พอ แล้วเราจะเอาวันไหนมาเป็นวันอิ่มพอถ้าไม่เอาธรรมะเข้าไปตัดไปฟันความหิวความโหยนั้นให้เกิดความอิ่มพอขึ้นมาเรื่องของเกลียดจะไม่มีวันอิ่มพอเลยและจะหมุนจิตใจของสัตว์โลกนี้ให้เป็นไปอยู่ยางนั้นเหมือนฟุตบอลนั่นเองพองเราไม่ใช่ฟุตบอลเรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่จึงไม่ฝืนอุบายวิธีฝืนก่อนเด็ ได้ยินได้ฟังได้อ่านตามตลาดลาก็ได้อ่านได้ยินได้ฟังก็ได้ธารมจะฝืนไม่ได้ที่เหลเป็นสิ่งที่ทำล้านได้ปราบได้ทำเป็นเครื่องมือที่สังหารทิริหลืได้โดยแท้จริงไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรบกพร่องมันบกพร่องอยู่กับตัวของเราที่จะนำเครื่องมือมาใช้เท่านั้นอี้วนี้ อะไรที่มีคุณค่าในโลกในความเกิดตายนี้เพราะกิเลสเป็นตัวเหตุเป็นเชื้ออันสำคัญพาให้เกิดให้ตายมันมีอะไรสำคัญจึงต้องติดอกติดใจห่วงใยไม่มีวันอิ่มพอการห่วงใยสิ่งนี้ก็คือการติดพันกับทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละ แล้วจะก้าออกจากทุกข์ไได้อย่างไรถ้าแ ม, ม, มานําธรรมะเข้ามาตีกกันนำธรรมะมาตัดมาฟันมาหัน่นมาห้ามมาจีดขวางั้านทานันป่ายที่เดชทั้งหลายอาเจะหาวันพ้นจากโทษเล่าความสุขความสบายแม้แต่เพียงความสงบเราก็ไม่ได้ละถ้าไม่ได้ําเนินตามสวรรค์ธรรมที่พระองค์จัดไว้ชอบนี้ กิเลมันกลับไม่ชอบที่ตรงไหนเอามาพิจารณาไปทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสล่อลวงสัตว์โลกและฝังใจอยู่สัตว์โลกมาเป็นา น, านานนี้มันมีความชอบที่ตรงไหนยิงพอที่จะดูดดื่มติดพันก็มันจนไม่มีวันอิ่นพอดังที่เป็นอยู่เวลานี้ทาประกาศกัางวัน มนไม่มากอยูีกับกีกันเฉพราะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 กว่าปีนี่แล้วเป็นความจริงมาตลอดประกาศกัางวันสะ้านหวันไหวทั่วแดนโลกธานุทำไมริงไม่มาทำน ำ, ำหล่า น, นั้นเข้ามาให้กระเทือนจิตใจให้กิเลสแตกลูกแตกหลานหลงบ้านหลงเรือนร่หายตายจากกันไปจากจิตใจของหล่าน บ้างเือจนอมันพินาศไปหมดทำสะเทือนโลกอยู่ขนาดนั้นทำไมไม่เอาเข้ามาให้สะเทือนหัวใจของจินมากะเทือนหัวกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราหน้บ้างเราเชื่อใครทุกวันพุทธังสนังกัสามะ น, นี่นี่คือคือผู้ท่านผู้ใดพุทธะก็คือธรรมชาติที่ เป็นอิสระเต็มที่แล้วเหนือกิเลสทุกประเภทสมมุติทุกขั้นทุกผงในสามแดนโลกธาตุนี้พุพทธังนี้หรือพุทธานี้ดูเหนือหมดแล้วธ ร, รมมะก็หมายถึงธรรมชาติอันนี้อีกด้วยธรรมโมปดีปฎีโปะาสว่างกระจ่างแจ้ง คือใจเป็นธรรมและธรรมเป็นใ่ทั้งครั้งก็เข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันเมื่อถึงหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันนี่สะเทือนโลกมานานเท่าไหร่พระเสด็จอยู่ตลอดอนันตกาศตัวไหนตัวพระเสด็จพอที่เป็นคู่แข่งธรรมชาติอันนี้ทําไมจิตใจของเราจรึงชอบนักชอบหนาะจึงไม่มีวันอีกพอ ถ้าเป็นโรค ก, ก็เรียกว่าอาถ้าถ้าเป็นโรคภายไข้เจ็บก็เรียกว่าจมลงตัวหวานตัวเป็นโรคประเภทที่จะหมดหวังทั้งทางยาและหมอแล้วเวลาหากจิตใจไม่มีความอิ่นพอในของสแสลงที่จะชุ่มแทงจิตใจอยู่เพื่ออำนาจของกิเลสแล้วมันก็เป็นโรคที่หมดหวงังทั้งที่เราว่าเราเป็นนักบวชมาประกอบความภาคเพียรมันมีแต่กีหยา ความจริงเห็นความเพียรที่เป็นไปตามหลักของความเพียร น, นั้นมันไม่มีในใจแล้วกิเลสตัวไหนจะกลัวกิเลสตัวไหนจะหลุดลอยออกไปความไม่ตั้งหลักต่อสู้กันจริงๆแล้วเห็นอะไรมีคุณค่าเวลานี้อะไรมีคุณค่าอะไรมีสาระเพราอที่จะพึ่งผิวได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เมื่อนำทำเข้าไปชาระศาสสารหรือซักฟอกให้เต็มที่แล้วนี้เท่านั้นจึนเป็นใจที่บริสุทธิ์พอตัวทุกสิง่งทุกอย่าง ไม่อึ้มกับสิ่งใดนี่คือธรรมชาติประเสริฐธรรมชาติที่พอตัวเป็นธรรมชาติที่อิ่มตัวก็มีเท่านี้เอกนั้นไม่อิ่มอารมณ์ใดก็ต่างคื่อว่าเป็นกระแสของกิเตกระแสของโรกแล้วต้องเป็นพื้นเป็นไฟเป็นไยเป็นพิษเป็นไผต่างหานผู้ปฏิบัติไม่คิดเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยทั้งๆที่มีอยู่กับใจตัวเองแล้วจะไปเห็นภัยที่ไหนไผอยู่กับตัวยังไม่เห็น นิเรศอยู่กับตัวยังไม่รู้รับในขณะเดียวกันทำก็อยู่กับตัวฟังอยู่ทุกวันทุกเวลั้เวลามาจึงไม่นำเข้ามาเป็นคู่แข่งหรือชำระศาสาร์สงฟาดฟันกันลงไปบางค้าเพลผู้ปฏิบัติทุกกระทข์เถอะ ทุกใจด้วยความเพียรเป็นทุกข์ที่ถูกทางเยื่อว่ามั้เป็นทางเดินดีแท้ดีกว่าทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเพราะอำนาจของสุโไทัยผิดขึ้นมาด้วยความพอใจหากไม่พยายามจริงๆจะไปไม่รอดนันเดี๋ยวจิตมันเคลื่อไปนอกลูนอกทาง คือนอกจากทํานั่นแหละแล้วก็ยิ่งปลายใหญ่แก็ตีมันก็ควาจะเผลออยู่แล้วหรือมันเผลออ ย, ย, ยอู่เรื่อยๆเพราะที่เดี๋ยวเป็นนิสัยไม่ใช่ทําเป็นนิสัยจะไม่เผลอได้ยังไงการนำธรรมเข้ามาแก้จนกลายเป็นนิสัยของธรรมนิสัยของสตินิสัยของปัญญามันถึงจะแก้ที่เดียวได้ถึงจะไม่เผลอ พิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างหาอะไรมาเกียบมาเสมอเหมือนจิตเหมือเหมือนธรรมมันไม่มีแต่ทาไมมันถึงชอบยุ่งกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระสิ่งที่เป็นสาระทาไมมันไม่ชอบเ พ, เพราะธรรมชาติที่ให้เป็นสาระนั่นแหละมันมีอยู่ภายในจิตสิ่งที่เป็นภยัย เป็นค่าสิทธิ์แต่เป็นเจาน้าอำนาจอุปนิสมันบังคับไม่ชอบในธรรมเพราะมันเป็นค่า ส, สิทธิ์กับธรรมจึงต้องเป็นค่าสิทธิ์กับเราเป็นค่าสิทธิ์กับใจเราเป็นค่าสิทธิ์กับความเปลี่ยนของเราเป็นค่าสิทธิ์กับทุกด้านขึ้นชื่อว่าทําแล้วขึ้นชื่อว่าความเปลี่ยนแล้วมันเป็นค่าสิทธิ์ทางนั้นต้องในต่อสู้กับสิ่งนั้น หเหตมานานเป็นหมูกระเพื่อนก็ดีอาหนนจะปากฏขึ้นมาพรา่อยชื่นชมเห็นผลของการแสดงอัดทำแก่หมูแก่เพื่อนมันก็ไม่เห็นจะ ว, ว่างปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะเอาสาระคุณมาจากไหนครูบาอาจารย์ที่ให้อัดให้ทำก็ยิ่งเ่วงโรยไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ ที่จะเป็นอาจาเป็นทำขึ้นมาพอเป็นหน้าเป็นหลังเป็นตัวแทนกั น, น, นเพื่อนคุณระบบสุดท้าภายหลังยึดเกาะมันก็จะไม่มีเวลาเนี่ก็เพราะอันเดียวนั่นแหละมันทับมันเี่ยมนาท่ า, าทับหัวใจทับในวัดในว่าทับหวัใ ว, หวใจของพระของหนึ่งหรือไม่ดีทับงลงไปในธรรมในายืดไหน พอให้แหลกแต่กัญชาไปหมดหลือแต่ชื่อว่าศาสนาเหลือแต่ชื่อว่าอัตมาธรรมเหลือแต่ชื่อว่าพระวันเลท<ม>ี่เดเอดมันฟานภายในเครื่องในเอาไปกินหมดมเหลือแต่โครงกระดูกตับไตไส้พุงว่าเป็นของดีบของดีมันเอาไปกินหมดการของศาสนาคืออะไร คือศีลสมาธิปัญญาศัทธาความเพียรมันเอาไปกินหมดเหลือแต่ที่เห็นเห็นกันเป็เปยังไรเห็นเห็นกันอยู่ก็เห็นเรานั่นที่ก้อนเปีดูขณะเมื่อไหนได้ไม่มีสติพนั้นแหละขณะนั้นยังเหลือแต่โครงกระดูกเมือไหนไม่มีปัญญานั่นแหละขณะนั้น่นขณะที่กิเลสมันกัดตุ๊บตับตุ๊บตับจริงตลอด เรายังเพงเลินอยู่เหรออุบายที่จะฝึกจิตนัต้ตนให้ได้รับความต้องอกพอดีจะให้เกิดปัญญาพอดีให้ชินพอดีต่างเป็นอุบายของผู้ปฏิบัติพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับเรื่องของกิเล การดูจมอยู่กับวิเลศมันไหน่มีความฉินอะไรพอที่จะเบื่อต่อวิเลศเพราะเคยอยู่ด้วยกันเคยให้ความทุกข์ความลำบากมาอย่างนั้นอย่างนี้มันเคยชินแล้วเบื่อมันเนนี่อะไรผ่านมากันชื่อว่าวิเลศแล้วมันติดปั๊บติดปั๊บแต่ทําทําไมมันชินะเราทำภาวนาวันนี้มันสงบวันหน้าเอาอารมณ์มันเกล่าวมา ทำมันไม่สงบต้องพลิกหาเหตุหาผลที่จะเลือกว่าเรียกวัดทำ พ, พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นปัญญานี่จะทันกับความชินความชินนั้นคือเป็นความชินที่ถูกกิเลสกล่อมเข้าไปแล้วน่ะเราไม่รู้แต่ว่าเราบำเพ็ญธรรมเช่นเรภาวนาบริกรรมคําไหนเราต่างคําบริกรม ร, กรมหรือคำที่กําหนดนั้นกลายเป็นความเคยชินไปเสีย จืดชืดไปเสียนแล้วอะไรพาจืดชืดทําไม่กิเลสเข้ามันจะรย์กิเลสมันเข้าแทรกให้จืดให้ชิต อ, อะไรจะแทรกทำแท้ไม่จืดไม่ชืดนี่นะนั่นแหละที่ว่ามันสนับซับซ้อนมันสนับซับ้อนอย่างนั้นพิจารณาไปจะรู้เองในเบื้องต้นจะไม่รู้จึงต้องอาศัยครูอาจารย์คอยแนะนําเสมอนี่ไม่ใช่คุยฟาดกันกับกิเลสมาแล้วแทบจะไม่มีชีวิตเหลือมาเลย นักก็เอาไม่ว่าทางหนักทางร่างกายก็หนักมาพอแทบเป็นจะตายในบางครั้งหนักทางด้านจิตใจก็หนักมาพอคือหนักในการต่อสู้ไม่ใช่หนักเพราะเจียดเหยียบทับทําลายเฉยในขณะประกอบความเพียนหมือนเราไม่มีท่าต่อสู้มันมีแต่มันเหยียบเฉเฉยไม่ได้มายอย่านะทุกเพราะการฟัดการเหวี่ยงการต่อสู้กันจะยืนทางกายก็ทุกมาพอทางจิตใจก็ทุกมาพอแต่ผนก็ ปรากฏล่าก็ไม่เห็นตายร่างกายก็ยังอยู่ที่เห็ น, นี้่ใจก็รู้เห็นเห็นอยู่นึ่อะไรมันตายถ้าความเพียรเก่งอุบายวิธีการเก่งขี้เหร่มันก็ตายเท่านั้นเองาทางนี้ไม่เก่งก็แล้วกันตายด้านจากอัต จ, จัปธรรมภาวนาอะ้รนก็ด้านดุอารมณ์อย่งการภาวนาที่เคยทําความสงบแก่ใจมันก็ไม่สงบ มันชินชามันด้านเพราะขี้เด็ดแทรกเข้าไปให้ด้านให้ชินให้ชาให้ขี้เกียจไปเรียนนี่มันแทรกมาอย่างนี้จึงต้องพลิกอุบายใหม่เพื่อแก้ขี้เด็ดตกเห็ดนี้อีกทีจนกระทั่งมันได้หลักได้เกณฑ์ปัญญาก็ค่อยคล่องตัวไปที่แรกก็พักคิดพักอ่านหนักก็หายอุบายแยกแย่ที่นานดุด้วยการบังคับบัญชา ปัญญาในขั้นเริมแรกมันก็เหมือนเด็กทํางานเหมือนกันเพราะยังไม่เคยเห็นผลต้องใช้สติบังคับต่อเมื่อเลยปรากฏผลขึ้นมาแล้วความดุดดื่มความพอใจมันหนักเป็นมาเองจนกระทั่งถึงหมุนติ้วติ้ว ท, ทั้งวันทั้งคืนน่ะอ่นถ้าลงในสติปัญญาในหมุนขนาดนั้นแล้วกิเลสเตรียมหาที่อยู่หาที่หลบซ่อนนะทีแต่ก่อนเราไปหลบซ่อนที่ไหนถูกแต่กิเลสไตยเอาติออกมุมเข้าไป หลบซ่อนนมุมเมทีน่ะเตะไปต่อยเอาตกเวทีตกเวทีหลบซ่อนในมุมไหนก็ถูกกิเลสเตะเอาต่อยเอาตกเวทีลงไปตกเวทีลงไปพอเรามีสติปัญญาพอสมควรก็เริ่มมีการแพ้การชนะกันเป็นพักๆต่อไปนั้นก็มีแต่การชนะอา้าวเลยจากนั้นไปก็มีแต่กิเลสหมอกหลบซ่อนไม่หลบซ่อนไม่ได้ตายหงิก ความต้นของกิเลสก็คือความแยกขายของหมันความฉลาดแหลมปุ่งของมันนั่นแหละไม่ใช่มันตัวหรามันพ้นไปไม่ได้อาจจะขาดรกระเด็นลงไปหมดเห็นทั ด, ทดในจิตดวงที่มันเคยพลุงพลังคกับอวิชาปัญญาสั้งข้ารานี่นทั้งรากแก่รากร้อยทั้งจิง่งทั้งกาศทั้งดอกทั้งผลทั้งอะไรทั้งตนทั้งลำเต็มอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ จะไม่พลุ่พลังได้อย่างไงแต่พอฟาดฟันหันแบกบกันลงไปลําดับมันดาจะไม่ทั่งที่เอาให้แหลกหมดคุณชีว่ะพิเศษไม่มีเหลือภายในใจเลยแต่กระจายี่ยเหลือแต่ใ จ, จที่บริสุทธิ์ต้นล้วนขาดกระเด็นออกสิ่งเหล่านั้นขาดเองเลยหมดูดในท่ามกลางแห่งส ม, มุตินั่นแหละแต่ไม่ใช่สมมติสามลกกท้านี่เป็นสมมติทั้งทั้งมวลสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับจิตนี้เช่นาธาตุขันของเรา ผู้เวทนาฟังยาสังขาร ย, ยินยันนี้ก็เป็นสมมุปทั้งหมดจิตอยู่ในถ้ำกลางนั่นแหละแต่ไม่ใช่สมุตินี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มันเห็นได้ชัดอย่างนั้นเชื้อแห่งพภพธรรมชาติที่เคยสืบเนื่องกันมากับเรื่องอะไรอะไรอะไรแต่อดีตและจะเป็นอนาคตไปมากน้อยเป็นไรทูก ตัดขาดสะ บ, บัน้นนมภาณกนจิตเหลือแต่ปัจจุบันที่เป็นตัวบริสุทธ์ความบริสุทธ์ล้นล้วนทำไมจะไม่ท้าทายได้จะไม่ประกาศได้ว่าสิ้นแล้วเรื่องความยุ่นเหยิงยุ่นวายเพราะการเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจแห่งี่เลสกันหาพาให้เป็นไปนี้บัดนี้ได้สิ้นปัญหากันลงแล้วโดยสิ้นเชิงทั้งที่จิตก็รู้อยู่นี่แหละสิ่งที่มัน เลยฉับดรับซ้อนได้ถูกทำลายลางไปหมดแล้วนันเห็นชท้ๆอย่างนั้นเลยอยู่ไหนก็อยู่ที่นี่ถ้าลงถึงขนัดนั้นแล้วความทุกข์ทั้งมวลที่ได้ทุ่มกันลงด้วยความเพียรนั้นผลก็ปรากฏเป็นที่พึงพอใจคุ้มค่ากันอย่างนั้นทำไมจะออมแรงอยู่ได้ของเราพลาดขนมไปสิ อะไรเมื่อเทียบแล้วทั้งสามแดนโลกฐานนี้อะไรที่มีคุณค่าเด่นที่สุดนันก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่ทชัดภายในจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นั้น น, นี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงธรรมชาตินี้จึงต้องอิ่มตัวคือไม่มีอะไรเหมือนนี้ไม่ต้องการไม่บกพร่องไม่ต้องการอะไรพอทุกสิ่งทีกอย่างแล้วคลายตัวออกหมดแล้ว กับสิ่งที่เคยผูกพันเพราะความไมึนหมงแต่ก่อนได้คลายตัวกแล้วด้วยความรอบครองคิดคือสติปัญญาเป็นผู้ฟาดปัญหาแอบก้นไปนี่ผลเห็นทาตุอยู่นี้จากการปฏิบัตินี้ไม่ใช่จากที่อันไหนนะจากการปฏิบัติในตัวของเรานี่แหละไม่ใช่จากการนั้นสถานที่นี่เวลานันนั่น เวลาก็มีแต่เมื่อแต่แจ้งสถานที่ยิ์นั้นก็มีแต่กิเลสมันไม่ได้ใช่สถานที่ไม่ใช่เรื่องเดียวลามันเป็นกิเลสมันอยู่ที่หัวใจเพราะใจเป็นอาการลิกาจิตนี่กิเลสมันก็เป็นอาการลิกามันเหมือนกันเมื่อไม่แก้มันมันติดอยู่นั้นเมื่อแก้ไปแล้วคําอาการลิกะมันก็หมดกิเลสเพราะกิเลสเป็นสมมุติจึงต้องมีการสลายตัวไปได้จิตเมื่อมีสมมุติข้าแทรกก็ต้องเป็นนิจจังทุกขังตาไปตามๆกัน แต่พอสมมุติมันหมดไปจากติหคือคิดเรียอย่างละเอียอย่างทุ ก, ท ก, ทกชนิดจนกระทั่งถึงละเอียดสุดเป็นสมมุติทั้งมวลได้กระจายไปแล้วจากใจแใจจริงไม่มีคำคำว่าสมมุติจริงไม่มีคำว่าอันจังทุกขังลตามฐานมือสุดเต็มส่วนทีนี้ทำมัจจิมาปฏิปัฏฐานเป็นสำคัญ เป็นเครื่องมือบุกเบิกทุกประเภทของกิเลสจะต้องเหมาะราบด้วยเครื่องมือนี้ทั้งนั้นไม่มีกิเลส ต, ตัวใดจะเหนือนักกิมานี้ไปได้เล ย, เลยขอให้นํามาช้าให้เหมาะสมกับการปราบกิบเลสประเภทนั้นๆด้วยเครื่องมือชนิดนั้นๆเถอะอยากจะไม่ถามหาความพ้นผูกเพราะผู้ที่ถูกจําจองก็คือจิต เมื่อกิจพ้นแล้วจากความจำจองทั้งหลายจองจำทั้งหลายละจะถามมันความพ้นทุกข์ที่ไหนก็มันพ้นแล้วนั่นมันพ้นอยู่ในกิจตัวรู้นั้นเวลาถูกผูกมัดนัดลึงก็รู้อยู่่ถูกผูกมัดเวลาสลัดตัวเอาไปเดื่มนัดเห็นสติปัญญาแล้วมันก็เห็นความพ้นอยู่ทัดทัดภายในจิตมแล้วาหาความพ้นทุกข์ที่ไหนทุกข์มันกเกิดเพราะอำนาจกิเลสกิเลส สลานไปทุกข์ก็สลายขึนไปพระมังสุขขังก็เกิดเพราะความเบื่อสุดเิ่เงไม่มีคำว่าจริงจังทุกข์ของอน้าตาเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นความประเสริฐอยู่ที่นั่นยุนติกันลงที่นั่นต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบานเพื่อนฟังพูดอะไรไหม